การเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนข้อที่6จเจริญสมาธิอานาปนสติภาวนาเป็นตัวอย่างเมื่อได้กล่าวถึงหลักทั่วไปของวิธีจเจริญสมาธิแล้วก็เห็นควรแสดงตัวอย่างวิธีจเจริญสมาธิไว้สักอย่างหนึ่งด้วยและบรรดากรรมฐาน40สอย่างนั้นในที่นี้ขอเลือกแสดงอนานาปนสติ ข้อดีพิเศษของอาณาปานสติเหตุผลที่เลือกแสดงอาณาปานสติภาวนาเป็นตัวอย่างมีหลายประการเช่นเป็นวิธีเจริญสมาธิที่ปฏิบัติได้สะดวกยิ่งเพราะใช้ลมหายใจซึ่งเนื่องอยู่กับตัวของทุกคนใช้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ในทันทีที่ต้องการไม่ต้องตระเตรียมวัตถุอุปกรณ์อย่างพวกกระสินเป็นต้น ในเวลาเดียวกันก็เป็นอารมณ์ประเภทรูปธรรมซึ่งกําหนดได้ชัดเจนพอสมควรไม่ละเอียดลึกซึง้งอย่างกรรมฐานประเภทนามธรรมที่ต้องนึกขึ้นมาจากสัญญาและถ้าต้องการปฏิบัติอย่างง่ายๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดอะไรเพียงเอาสติคอยกาหนดลมหายใจที่ปรากฏอยู่แล้วไม่ต้องคิดยากยะพิจารณาสภาวะธรรม อย่างพวกธาตุมนาศิการเป็นต้นผู้ที่ใช้สมองเหนื่อยมาแล้วก็ปฏิบัติได้สบายพอเริ่มลงมือปฏิบัติก็ได้รับผลเป็นประโยชน์ทันทีตั้งแต่ต้นเรื่อยไปไม่ต้องรอจนเกิดสมาธิที่เป็นขั้นตอนชัดเจนกล่าวคือกายใจผ่อนคลายได้พักจิตสงบสบายลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆ ทำให้อกุศลธรรมระงับและส่งเสริมให้กุศลธรรมเกิดขึ้นไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงประสบการณ์ของพระองค์เองว่าเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้มากคืออนาปานาสติสมาธิกายก็ไม่เหนื่อยตาก็ไม่เหนื่อยไม่เหมือนอย่างกรรมฐานบางอย่างที่อาศัยการยืนการเดินหรือการเพ่งจ้อง แต่ตรงข้ามอาณาปานสติกกรรมฐานนี้กลับเกื้อกูลแก่สุขภาพทั้งช่วยให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างดีและระบบการหายใจที่ปรับให้เรียบเสมอประนีต ด, ด้วยการปฏิบัติกรรมฐานนี้ก็ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นขอให้นึกอย่างง่ายๆคนที่วิ่งมาหรือขึ้นลงที่สูงกำลังเหนื่อย หรือคนตื่นเต้นตกใจเกลียวกราดหวาดกลัวเป็นต้นลมหายใจหยาบแรงกว่าคนปกติบางทีจมูกไม่พอต้องหายใจทางปากด้วยในทางตรงข้ามคนที่กายผ่อนคลายใจสงบสบายลมหายใจละเอียดประณีตกว่าคนปกติการบาเพ็ญอน า, านาปาณสติช่วยทำให้กายใจสุขสงบ จนลมหายใจละเอียดประณีตลงไปเรื่อยๆยิ่งกว่านั้นอีกจนถึงขั้นที่แทบจับไม่ได้เลยว่ามีลมหายใจในเวลานั้นร่างกายดำรงอยู่ได้ดีโดยใช้พลังงานน้อยที่สุดไม่เรียกร้องการเผาผลาญเรียมความสดชื่นไว้ให้แก่การทำกิจในเวลาถัดไปและช่วยให้แก่ช้าลงหรือช่วยให้ทำงานได้มากขึ้นร้อมกับที่สามารถพักผ่อนน้อยลง อีกประการหนึ่งเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งในจำนวนเพียงสิบสองอย่างที่สามารถให้สำเร็จผลในด้านสมถะได้จนถึงขั้นสูงสุดคือจตุทถาฌานและส่งผลนี่ถึงอรูปฌานประทั่งนิโรสมาบัติก็ได้จึงจับเอาเป็นข้อปฏิบัติหลักได้ตั้งแต่ต้นจนตลอดไม่ต้องพวาวงที่จะหากรรมฐานอื่นมาสับเปลี่ยนหรือต่อเติมอีก มีพุทธพจน์เสริมว่าเพราะฉะนั้นแลหากภิกษุหวังว่าเราพึงบรรลุจตุทธะฌานก็พึงมนัสิการอาณาปนาสติสมาธินิลให้ดีหากภิกษุหวังว่าเราพึงก้าวล่วงอกิจัญญายยตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเถิดเราพึงก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้ว เข้าถึงสัญญาเวทายิตะนิโรธเถิดก็พึงมนสิการอานาปนสติสมาธินิแลให้ดีอันหนึง่งพึงสังเกตว่าตามมาติของพระอัฏฐกถาจารย์อานาปนสติไม่สามารถให้ผลถึงอรูปฌานได้เพราะอารูปฌานต้องอาศัยกรสินเช่นที่กล่าวไว้ในวิสุทธิมัก อีกประการหนึ่งใช้ได้ทั้งในทางสมถะและวิปัสนาคือจะปฏิบัติเพื่อมุ่งผลฝ่ายสมาธิแนวไปอย่างเดียวก็ได้จะใช้เป็นฐานปฏิบัติตามแนวสติปฐานจนครบทั้งสี่อย่างก็ได้เพราะเป็นข้อปฏิบัติที่เอื้ออานวยให้สามารถใช้สมาธิจิตเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาได้เต็มที่พระบาลีในพระไตรปิฎก จัดเป็นส่วนหนึ่งของการยานุปัสนาสติปทานอีกแห่งหนึ่งระบุวิธีปฏิบัติให้ได้ครบสติปทานสี่ในอาณาปณะสติสูตรและอีกแห่งหนึ่งกล่าวถึงเนื้อหาของการปฏิบัติครบ16ตอนคำอธิบายพิสดารมาในคุตารนิกายปฏิสัมพิธามรักนอกนั้นมาในรายชื่ออนุสติและเรื่องอื่นๆอีกมากแห่ง ดูมาเหตุที่มาได้โดยละเอียดในหนังสือนะครับอีกประการหนึ่งเป็นวิธีเจริญสมาธิที่พระพุทธเจ้าทรงสันเสริมมากทรงสนับสนุนบ่อยครั้งให้พระภิกษุทั้งหลายปฏิบัติและพระพุทธองค์เองก็ได้ทรงใช้เป็นวิหารธรรมมากทั้งก่อนและหลังตรัสรู้ทั้งพุทธพจน์บางแห่งว่า ิสุขทั้งหลายอาณาปนานสติสมาธินี้แหละเจริญแล้วทำให้มากแล้วยอมเป็นสภาพสงบปราณีตสดชื่นเป็นธรรมมากเรื่องอยู่เป็นสุขและอย่างอากุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปได้โดยพลันเปรียบเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยมิใช่ฤดูการอย่างฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อน ให้อันตรธานสงบไปโดยพลันฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงอ า, า, าณาปนสเิสมาธิว่าเป็นอริยวิหารคือธรรมะเครื่องอยู่ของพระอริยะก็ได้ว่าเป็นรภมวิหารคือธรรมะเครื่องอยู่ของโรมก็ได้ว่าเป็นตถาคตาวิหารธรรมะเครื่องอยู่ของตถาคตก็ได้ ภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่ได้บรรลุอารหัตผลปรารถนาภาวะปลอดโปร่งโล่งใจคือโยค ะ, ะเกษมอันยอดเยี่ยมอาณาปณะสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วอาณาปณะสติสมาธิ ที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่สุขสบายในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมะสุขาวิหารและเพื่อสติสัมปชัญญะเพิ่งสังเกตคำว่าพรหมวิหารไม่ใช่ชื่อเฉพาะของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเสมอไปชื่อเฉพาะของธรรมะชุดนั้นคืออปปมัญญา ภิกษุทั้งหลายดังที่เป็นมาเรานั้นก่อนสัมโพธิเมื่ อ, อยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปณนาสติสมาธินี้โดยมากเมื่อเรานั้นเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้โดยมากกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เมื่อยและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายด้วยไม่ถือมั่นเพราะฉะนั้นแหลภิกษุทั้งหลาย หากภิสุวังว่ากายของเราไม่พึงเมื่อยตาก็ไม่พึงเหนื่อยและจิตของเราก็พึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายด้วยไม่ถือมัน่นก็พึงมณสิการานาปนสติสมาธินิแลให้มากแม้แต่การบรรลุปธมฌานเมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระกุมารประทับใต้รมต้นว่าในคราวที่พระพุทธบิดาประกอบพิธีแรกนาะ ตามความในมัชฌิมานิกายมูลปั น, นาตอธถกถาก็ว่าทรงได้ปฐมฌานนั้นด้วยการกำหนดลมหายใจสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภพยสนชื่ออิจฉานังคละไกลอิจฉานังคะละนะครณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกเล่นอยู่ตลอดไตรมากใครๆไม่พึงเข้ามาหาเราเว้นแต่ภิกษุผู้นำบิณฑบาตรูปเดียวรั้นนั้นแหละเมื่อล่วงเวลาสามเดือนแล้วพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเล่นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายหากว่าอัญญาดียรธีปริภาชคทั้งหลายจะพึงถามพวกเธออย่างนี้ว่า พระสมณะโคโดมอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมใดโดยมากเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงชี้แจงแก่อัญญาเยรธีปริพาโชคเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคประทับจำพรรษาด้วยอาณาปนาสติสมาธิโดยมากดูก่อนอานนนทธรรมเอก คืออนนาปานสติสมาธิภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่อันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังโพชฌงเจตให้บริบูรณ์โพชฌงเจตอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ ดูกรราหุนเมื่อเจริญอาณาปณสติแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แม้แต่ลมอสซาสปัสาสะซึ่งมีในท้ายที่สุดก็ดับไปโดยรู้มิใช่ดับโดยไม่รู้วิสุทธิมัคอธิบายว่าเมื่อจะสิ้นชีพสามารถรู้ลมหายใจเข้าออกสุดท้ายของตนตั้งแต่เริ่มจนดับไปพร้อมกับจุติจิต และท่านอธิบายต่อไปด้วยว่าภิกษุที่บรรลุอรหัดด้วยเจริญกรรมฐานอย่างอื่นย่อมกําหนดระยะการแห่งอายุของตนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ท่านที่เจริญอานาปานาสติครบกระบวนแล้วบรรลุอรหัด ส, สามารถกําหนดระยะการแห่งอายุของตนได้ว่าจะอยู่ไปอีกนานเท่าใดจะสิ้นชีพเมื่อใด